นำนำไปเป็นฐานในการ<ไ>ปฏิบัตต่อได้ไหนะมครับหก็พ่อมีเกณฑ์ให้มาอยู่วัดเนะี่ยต้องภาวนาพอใช้ได้แล้วแต่กิตตื่นเต้นหน่อยๆอะค่ะรู้สึกว่ามันมีอะไรไหวๆอยู่ข้างใน อ, อย่าไปขืนอย่าไปฝืนอย่าไปบังคับมันอย่าไปแค้นๆมันขืนมุดก็ตอนนี้เกินปกติอยู่นิดนึงอะฮะ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 ถ้าเราภาวานามาถึงจุดนี้แล้วภาวันหลังกลับมาพุโทโธเราจะรู้สึกเป็นความทุกข์เกิดขึ้นพุโทโธกลายเป็นส่วนเกินพุโทโธเข้าไปนะทุกข์เหมือนโลกจะแตกเลยเขราใจมันปรุงพุโทโธขึ้นมาเห็นเลยใจปรุงนิดเดียวก็ทั้งปรุงพุโทโธยังทุกข์เลยเนี่ยถ้าเราฝึกจนชำนิชำนานางนั้นภาวานาแค่พุโทโธนะลูกเล่นเยอะแยะเลยไม่ใช่พุโทโธซือบื้ออ่ะคุณตรง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 เปิดใจให้กว้างๆทาใจให้สบายๆฟังไปเล่นๆฟังแล้วก็หัดสังเกตไปอย่างนั้นใจลอยแล้วที่ถือไม้อยู่อ้าวว่าไปตอนนี้กำลังฝึกอยู่ค่ะเหลฝึกอะไรอยู่ฝึกฝึกรู้ฝึกรู้สึกฝึกรู้ตัวอค่อยรู้เวลากิเลสเกิดนะรู้ไวรู้บ่อยๆแต่อย่าไปห้ามมัน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 คล้ายๆเร า, เ, าเห็นอะไรแบบบปุ๊บเห็นแล้วก็เห็นแล้วก็เห็นตัวเองมีความสุขเห็นสบายอมันค่อยๆเหมือนค่อยๆปลอกชั้นต่อ ม, มไประชันทีชั้นเหนมือนมันมีสองลักษณะอย่างนี้นก็ถูกทั้งคู่แหละนะเวลาเรานั่งภาวนาอยู่มันก็เห็นละเอียดหน่อยอครับเวลาเราอยู่ในชีวิตประจําวันนั้นก็เห็นหยาบขึ้นมานิดนึง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 เวลาใจเราเข้าถึงธรรมแต่ละครั้งแต่ละครั้งพอถอยออกมาสู่ความรับรู้ทางโลกเนี้มันทวนกระแสเข้าไปพิจารณาธรรมะ <Okay. S 2> เตแล้วจิตใจมันจะเบิกบานขึ้นมานะมันจะเยอะใหันกิเลส <Okay. S 2> จะเยอยไปเรื่อยๆ เ, เป็นคลาวคลาบได้โสดามันก็เยอยนะเยอะโอ้ต่อไปนี้นับวันเธอจะตายไปเรื่อยๆนี่ <laughs> ไม่กี่วันนะ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 ไเยอะมากแล้วฝึกมาคนละอย่างสองอย่างนะมันมั่วสั่วกันไปหมดเลยเอา้าวหนูน้อยดเดียรัืว่อาอะไรเขาสวัสดีหลวงพะะ่อค่ะอ๋อของมาสวัสดีด <c oughs> อายุเท่าไหร่แล้วแปดขวบครับหกขวบเหรอไว้ก่อนแปดขวบครับแปดแล้วแปดขวบแล้ว อ่ะเบอร์สิบสองไปเชี่ยวเขียนเด็กนักเดี๋ยวไม่ดีเขาขอมาเองอะคะ่ะอ๋อเหรอเอเ อ, ดอดีพอดีจะหนีหลวงพ่อสอนเด็กไม่เก่งนะสอนเด็กสอนไม่ค่อยเป็นแล้วธรรมดาพูดอะไรแล้วฟังยากแต่บางทีเวลาเปิดเทปให้เขาฟังเขาจะถามว่าบางทีจะถามว่าความปรุงแต่งแปลว่าอะไรอย่างนี้เหมือนอกันเนา ะ, ะ, น, ะนั่นละสีตอบยากนะ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 อยากดูการ์ตูนเราก็รู้ทันอยากทำอะไรเราก็รู้ทันวันไหนโมโหโมแม่เราก็รู้ทันให้โมโหโมไปเราก็รู้นะถ้าไม่รู้ระบาปถ้ารู้เราได้บุญค่ะ <c oughs> หลวงพ่อรู้สึกตื่นเต้นนะคะ <c oughs> อืม <c oughs> <c oughs> ก็อยากจะให้หลวงพ่อแนะนำที่ <c oughs> ทำอยู่ตอนนี้ใช้ได้แล้วใจม่นค่อยตื่นแล้วละเราคอยรู้กิเลสเกิดแล้วก็รู้เองละ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 คือแต่ชีวิตท่อนเป็นท่อนๆมันเป็นกิเลสอยู่ในท่อนๆนะนะคะอืมดีอย่างเงี้ยมันไม่เป็นไรอย่างบางคนมันนะโมโหแล้วมันนะสะใจโอ้ภูมิใจนะเที่ยวไปคุยอวดเวลาชั้นโมโหนะเห็นช้างเท่าหมูไอ้อย่างงั้นใช้ไม่ได้มิจฉาทิฏฐิมากการที่เราสนุกสนานที่ได้ปฏิบัติน่ะดีแล้ว